พลักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันมุ่งหวังน่นใจต้องการเป็นความพาดภูมิจากรู้ว่าม่วงเหลืองข้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคูต้นโตสู่แดน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 Tha ban. จากรูว้วม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดังคูต้นตอสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแด่งบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้ ู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนุณธรรมนอบนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธา ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับในช่วงนี้ตามข่าวสถานการณ์ของโควิดนะครับนะโควิด -19 ซึ่งก็เริ่มมาทยานกันขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นที่น่ากังวลของหลายส่วน นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่าสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะเป็นคลัสเตอร์หลังปีใหม่เป็นต้นมาแล้วครับนะมีการนะจับกลุ่มเฉลิมฉลองมีงานต่างๆเพร า, าะฉะนั้นนี่ก็มีการกระจายกันไป20จังหวัดทั่วประเทศก็มีแนวโน้มการติดเชื้อสูงขึ้นโดยเฉพาะโอไมกอรล่ะครับนะซึ่ง ก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะมีการมาชุมนุมกันนะครับแล้วก็มีการพูดคุยมีการไม่ได้รักษาระยะห่าง 1-2 เมตรนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามร้านอาหารนะร้านอาหารที่มีการดื่มสุรานะครับนะมีการสังสรรค์กันนะให้เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่ากึ่งร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงะจะจะเป็นคัสเตอร์กันกันมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ ทางการก็บอกให้ระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนายแพทย์สุวรรณชัยก็ได้มีการแนะนำปฏิบัตินะใหะ้โดยระมัดระวังแล้วครับดานเรามีเทศากาลปีใหม่แล้วในช่วงของวั น, ว, นวาเลนไทย14กุมภาพก็ต้องระวังนะคนหนุ่มคนสาวนะเพราะฉะนั้นนี่มีการพบปะมีการสังสรรค์กันนี่ต้องร ะ, ะมัดระวังด้วยเหมือนกันนะ ว, ว่าจ ะ, ะยางไรอาจจะมีการ ติดเชื่อกันได้เหมือนกันนะต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะในช่วงนี้มีเทศกาลการหลากหลายนะถ้ามีคนมาร่วมตัวกันมากนะก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะซึ่งก็เห็นมีการประชุมสัมมนาในหลายส่วนนี่ก่อนเข้าประชุมมีการตรวจเอทีเกันก่อนนะพอเป็นการเข้มตรวจกันเข้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องต้อ ง, ต, องต้องดูนายแพทย์สุทัศน์โชตพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค ก, ก็บอกว่าสถานการณ์โควิดในกรุงเทพมีผู้ติดเชื้อกระจายตัวทั่วทุกเขตนะซึ่งก็พบประมาณ 1,800-2,000 ถึงคนต่อ ว, วันนะลักษณะของโรค ก, ก็จะไม่รุนแรงนะซึ่งแต่ว่าก็จะต้องอมีการดูแลรักษานะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะกรุงเทพนี่ก็ติดกันมากเพราะว่า มีจำนวนประชากรมากและก็มีผู้คนที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนแออัดมากมายซึ่งเราก็รับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนะในส่วนของรองศาสตราจารย์ในแพทย์นิติพัทน์จีรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรคนะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยสร์ศิริราชพยาบาลนะก็บอกว่าตอนนี้นี่ยอด ของผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยพุ่งทะยานไปแตะที่เกือบสองหมื่นแล้วทั่วประเทศนะมีเพียงสิบแปดจังหวัดที่ยอดวันวันวันนี้ยังยอดเป็นตัวเลขสีเขียวคือลดลงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีสีแดงกันท่วนหน้านะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีนะรวมกันสีจังหวัดนี่มียอดติดเป็น 36% ของทั่วประเทศ ก็เริ่มมีการส่งสัญญาณจากหลายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ว่ามีผู้ป่วยโควิดรับไว้ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจนศักยภาพขั้นต้นในการรองรับนี่อาจจะใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่รับไว้เนี่ยอาการในโรงพยาบาลที่อาการรุนแรงก็ไม่ได้เกิดจากโควิดโดยตรงแต่เป็นผลมาจากโรคเรื้อรังเดิม ที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้วก็มกักจะเป็นผู้สูงอายุะนะครับและในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือว่าไม่ได้รับวัคซีนก็ก็จะมีอาการที่รุนแรงเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ในส่วนของคุณหมอก็เตือนไว้เหมือนกันนะครับต้องระบัดระวังนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้นี่ก็นายแพทย์นิติแพทย์ก็บอกว่ามีเสียงถามกันบอกว่าไทยเราใกล้จะให้โควิดเป็นโรคประจําถิ่นได้หรือยังซึ่งนนนนแนวโน้มของการ ใช้เตียงในโรงพยาบาลสาหรับผู้ป่วยก็จะเพิ่มขึ้นก็จะยังไม่ใช่เวลาที่ที่จ ะ, ะประกาศให้เป็นโรคประจำถิน่นนะก็จะต้องมีการเลื่อนออกไปหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงอาจจะต้องดูนะครับนะหลายหลายฝ่ายนี่ช่วยกันนะช่วยกันวิธีการก็คงก็คงรณรงค์ให้มาฉีดวัคซีนกันนะครับโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นนะซึ่งซึ่งก็มีความสำคัญนะเพราะว่าจะทาให้การป้องกันนะ ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเจ็บป่วยก็อาการจะไม่รุนแรงนะตอนนี้ก็มีการรณรงค์ในการฉีดนะวัคซีนสําหรับเด็กนะซึ่งซึ่งก็คงจะต้องนะจะต้องดูนะครับนะว่าควาเป็นอย่างไรกันบ้างคือถ้าทํามีการฉีดวัคซีนแล้วก็วัคซีนก็มีความปลอดภยัยก็จะทําให้เด็กกลับมาเรียนออนไซต์ได้ได้มากทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ น, นะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นการเรียนออนไลน์ในเด็กที่ ยากจนอาจจะมีปัญห า, าเกี่ยวกับเรื่องของอาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าการอุปกรณ์ในการเรียนนะะอย่างเช่นมือถือในผู้ปกครองอาจจะใช้ในการไปทำมาหากินไปทำงานหรือว่าบางคนีนผู้ปกครองก็ไม่มีเงินในการเสียค่าค่าเน็ตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ต้องดูหลายๆส่วนมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ข้างหุ้นองหานตาหนังเบิ้งป่าขีดพอดแก้วตาเจ้าไปสิเลยประทาตเชิงทุ่งทางขาวผู้ผ่านบ้านเหายังคอยเสมอใจเข้มขึกเลิศแทบอน้องสาวคนปร้อยจากฟ้าเมื่อ น, น้ำตาไหลา ใจของตายเป็นห่วงคนไกลบ่มีข่าวคราวน้ำหลากน้องหานฟูปลาชวนกันพาลอยลงลงเปล่าดังใจผู้สาวที่ไปวังว่งางไอบ่ม่นพาแดงบ่มีมนแต่งไปอ้อนไปว่า คนลืมกล่าวคือทอดความลังยานผู้เขียวอดใบมอนไปลงคำวอนของคนมีตังยานเขาเด็ดน้งไปใส่ต้งยามฟ้างามยามแรงข้างลุงน้องหาเป็นสีฟกฟง ไกลกับนกไปบอกคนงามเจ้าสีนานวลของไอ้คันบ่อลืมไล่หักและห้อยคำอยากให้กลับลำเทืนพง แม่นผ้าแดงบ่มีมนแต่งไปอ้อนไปเว่าให้คนลืมคราวขึดพฮอดความลังยานพุกเกี่ยวใบมอนไปหลงคำวอนของคนมีตังยานเขาเด็ดน้ำไปใต่ต้นยามฟ้างามยามเล่งทางหุ่นนองหา สีสบสบส่งใจกับน้องไปบอกคนงามเจ้าสีหน้านวลฟ้องอ้ายท่นบอลืมไรยหักแหลกพลายคำอยากให้กลับหลังคืนถุงน้องหาม กันต่อในส่วนของอาทางธนาคารออมสินนะก็กําลังที่จะพยายามที่จะมาแก้ปัญหานี่ของอครูแล้วก็ตำรวจนะแบบยั่งยืนนะเพราะว่าอย่างที่รับทราบกันดีแล้วครับนะว่าครูบาอาจารย์แล้วก็นะตำรวจนะซึ่งมีนับแสนคนนะทั่วประเทศเนะี่ยกู้นี่ยืมสินแล้วก็ทําให้นะไม่เงินเดือนไม่พอนะค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพราะฉะนั้นนี่ก็หลายฝ่ายพยายามที่จะหาทางออกให้อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่จากการเปิดเผยของนายวิชัยรัตนากรผู้มนุยการธนาคารอมสินก็บอกว่าปี -65 เนี่ยธนาคารก็จะเข้าไปช่วยแก้หนี้ให้กับลูกค้ารายย่อยซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะไปที่ครูข้าราชาการต่างๆหรือว่าตำรวจ ด, ด้วยนะครับนะอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล นะงก็กำหนดให้เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้ครัวเรือนก็จะไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนนะเน้นการลดภาระการชาระหนีนะ้เพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้อย่างยั่งยืนก็อ อ, อมสินนี่เขาไปช่วยเหลือลูกหนี้ประมาณแปด0 0 0เบัญชีรวมมูลค่า4 0 0 0 0 0ล้านนะล่าสุดก็ได้ช่วยลูกหนี้ให้กลับมาแข็งแรงได้แล้วประมาณ 0,000 000, บัญชีว่าอย่างนั้น ก็คือยืดระยะของการผ่อนออกไปผ่อนให้น้อยจะได้มีเงินเหลือในการที่จะไปใช้ใจ่ายในครัวเรือนนี่แหละครับสำหรับการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย SME mm hmm. ก็จะผ่อนปนเงื่อนไขาการชําระดอกเบี้ยแล้วก็ลดเงินต้นแล้วก็ควบคุมถึงลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระไม่เกิน90วันซึ่งการแก้ไขหนี้ของครูนี่ครูเป็นหนี้ของออมสินอยู่ประมาณ 3า9 0 0 0 0บัญชีรวมมูลนี้ประมาณ 300,000 ส, ส, สามหมล้านนะก็จะใช้มาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะทั่วประเทศออมออมสินก็จะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําให้สหกรณ์เช่นดอกเบี้ยร้อยละ2เพื่อให้สหกรณ์เน้นนำไปปล่อยกู้ให้กับครูอาจจะคิดดอกเบี้ยร้อยละส แล้วก็นำไปรีไฟแนนซ์หนี้ก้อนอื่นของครูนะอย่างเช่นสินเชื่อเช่าซื้อนะครับนะหรือว่าบัตรเครดิตหออะไรต่างๆซึ่งก็เป็นการลดภาระหนี้ของครูละครับนะซึ่งนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหากันในหลายๆส่วนนะซึ่งนอกจากนี้ใน วิทัไทยก็บอกว่าออมสินก็ติดตามดูแลช่วยเหลือแล่งด่วนลูกหนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มสีแดงคือกลุ่มกลุ่มวิกฤต ล, ลครับประมาณแสนสอง0มืนห้าพันบัญชีคิดเป็นมูลนี่ประมาณ500 50, 0 0ล้านแล้วก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปช่วยไปในหลายๆส่วนก็เป็นการยืดนะยืดอายุของการนะชำระหนี้นี่ออกไปนะจะทำให้เหลือเงินเนะพราะบางครั้งนี่ ครูบาอาจารย์หรือข้าราชการนี่กู้นี่นี่ถูกหักเงินเดือนบางคนเงินเดือนสองหมืนี่แทบไม่เหลือแล้วครับพอหักสากลหักไปหมดอาจจะเหลือใช้ใจแค่3ามสี่พซึ่งก็ไม่พอพอในครอบครัวนี่ก็มีลูกเมียภรรยามีต้องดูแลสารพัดนะครับในในบ้านค่าโว้พวกโบนิพกเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินแต่จริงๆแล้วก็ อาจจะต้องอมีการาวางมาตรการที่จะช่วยเหลือหนี้สินของเกษตรกรนะซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่นะชาวไร่ชาวนาด้วยนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคงจะต้องดูนะครับนะจะช่วยเหลือชวาอชวนาชาวไร่เกษตรกรอย่างไรซึ่งจะผ่านทกศนะคงคงคงจะต้องดูนะคงจะต้องช่วยเหลือกันในหลายๆส่วนนะครับนะว่าจะทำอย่างไรที่จะทาให้การแก้ปัญหาเนี่ยจ ะ, ะจะทให้ดีขึ้น นะครับและนอกจากนี้นี่ก็ในส่วนของการขึ้นค่าราคาสินค้าอะไรต่างๆนี่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์พยายามที่จะตึงราคาไม่ให้เอกชนนี่ขึ้นราคาสินค้าเพราะว่าตอนนี้นี่ก็มีทั้งน้ำมันทั้งอะไรนี่ขึ้นราคากันไปหมูก็ยังแพงอยู่จะแก้ปัญหากันอย่างไรละครับแล้วก็มีการไป ตรวจดูตามโกดังห้องเย็นที่เก็บนะเก็บในส่วนของเนื้อหมูปรากฏว่าก็ค้างสต็อกมีเนื้อหมูที่มีการเก็บโดยไม่ได้แจ้งให้กับทางการเนี่ยจำนวนมากนะที่นคนปรปฐมนี่เป็นล้านกิโลดังนั้นตรงนี้คงจะต้องมีการจัดการกันอย่างเต็มที่นะไม่ให้มีไม่ให้มีการกักตุ้นเพื่อที่จะให้มีการราคาหมูนี่ลดลงหน่อยละครับเพราะคนยากคนจนนี่กระทบกันหนัก นายบุญยลิตกัญยาณมิตรประหลัดกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าตอนนี้ผู้ผิตสินค้าจะตึงราคาสินค้าได้ประมาณ 1-2 ถึงเดือนนะเพราะว่าต้นทุนปรับสูงนะก็จะําทำให้อาจจะต้องมีการขยับราคานะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆแต่ว่าก็พยายามที่จะเหนียวลังไว้ไม่ขึ้นสูงส่วนราคากา๊าซหุงต้มแอลพีที่เมนโ น, วนวมว่าจะมีการขึ้นราคา ตอนนี้นี่ก็ตรงนี้นี่ก็ยังมีการพยายามที่จ ะ, ะไม่ให้มีการส่งผลให้อาหารราคาอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคือถ้าถ้าค่าแก๊สสูงขึ้นนี่ก็บรรดาผู้ค้ารายย่อยก็ต้องปรับขึ้นแหละครับนะเป็นเรื่องธรรมดาอาหารตามสั่งผ่านนิดจะแก้ปัญหาอย่างไรก็เป็นโจทย์ที่หนักหน่วงเหมือนกันนะ ว, ว่าจะทําอย่างไรก็คงจะต้อง มีการควบคุมราคาโดยเฉพาะาน้ำมันพืชเนี่ยแหละครับนะเริ่มมีการปรับสูงมีการหายไปจากาชั้นวางขายตามห้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะเพราะในตรงนี้คงจะต้องดูราค า, าต้นทุนต่างๆเหล่านี้จะมีผลต่อสินค้ า, าที่จําหน่ายนะครับนะว่าจะทําอย่างไรกันกันบ้างนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงคงจะต้องควบคุมดูแลให้ได้นะในส่วนของของของราคาโดยเฉพาะราคา น้ำมันเนี่ยนะครับนะมีผลนะเพราะว่าน้ำมันนี่ก็เป็นค่าขน ส, นะ ส, ส่งส่งส่งสินค้าไปกระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะซึ่งตรงนีใน้ในส่วนของกลุ่มรถบรรทุกเนี่ยก็เรียกร้องให้<ฮ>มีการลดราคาน้ำมันดิเซลลงมาซึ่งซึ่งตรงนี้ในรัฐบาลก็กําลังเจรจา ก, กันอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโดยตรงนะครับเพราะเป็นค่าขนส่งจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับนะว่าจะทําอย่างไรกันบ้างก็ไป ดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะขวัญบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกซูบุรีครับสำหรับวันนี้ผมนิรันกุลธานานต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ แส้นฮานจดจำคิดถึงน้ำคำคำหวานจับหัวใจลมรำคยพัดเร็วแผ่วไปไม้โรยเย็นลงชยพัดรวงข้าวอ่อนเย็นไว กูถึ ข้าวเหลืองเต็มนาตัวข้าไรแรนจะเกียวเหลือก็เพียงพอกข้าวกรอบแดงเ้าตายตัวข้าเองวาจะตายแน่เชียว